ขอโมทนาความตั้งใจดีหลายๆอย่างโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือเรื่องความตั้งใจที่เดินทางกันมาทำให้มีมุมคิดได้เยอะว่าอันนี้ขนาดเส้นทางปกติธรรมดายังหลงแล้วหลงอีกถ้าเราเดินทางที่จะเข้าสู่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอย่าแปลกใจเลยว่ากว่าเราจะพบแนวทางคำสอนของภาษาสระนั้นนะ ทั้งๆ ท, ท, ที่เหมือนเราอยู่ใกล้แต่คล้ายจะอยู่ไกลเมื่อสักครู่ฟังการสมาทานศิกขาบทแปดประการได้ยินแล้วก็อดเชื่อใจไม่ได้ว่ายังมีกลุ่มพุทธบริษัทที่น้อมจะปฏิบัติขัดเกลาสมาทานศินแปดประการเนี่ยนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายสำหรับคนในยุคปัจจุบันแล้ว ฉะนั้นคนที่จะมีศรัทธาในการที่จะประกอบความเพียรในการที่จะเร่งรัดตนเองในการเข้าสู่พระธรรมคำสอนของพระศาษษสดา น, นั้นเน่จึงต้องอาศัยสัททินทรีที่มั่นคงพอสมควรก็คือมีความเชื่อและก็มีความเลื่อมใสในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นนั่นเองและได้ยิยนคำถึงการมอบอัตภาพร่างกายถวายแด่พระพุทธเจ้าอันนั้นชัดเจนเลย ก็คือขอถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันนั้นเรากล่าวกันอยู่เป็นนิดที่ใช้คําว่าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าตรงเนี้ยเป็นการขับเน้นว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ย ต้องการจะมอบกายถวายชีวิตต้องการจับเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรจึงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายจึงยอมตนในการที่จะเป็นทาสของพระบรมศาสาดาสมมาสมุทธเจ้าเพราะว่าเราเคยเจ็บปวดหรือกำลังเจ็บปวดจากการที่เราต้องเป็นทาสของราคาโทสาโมห oh ะโดยเฉพาะก็คือความโลภความยินดีความเพลิดเพลินความติดใจ ในวัตถุกรรมด้วยอํานาจของกิเลสกรรมคือความไข้ทั้งหลายแล้วก็ด้วยอํานาจของโทสะคือความโกรธความเครียดความหงุดหงิดฟุง้งซ่านไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดไม่พอใจแล้วก็โมหะคือความรุ่มหลงเป็นธรรมชาติที่เป็นมิจฉาญานะที่เหมือนจะรู้แต่ไม่ไม่ใช่ญาณนะที่แท้จริงแต่เป็นมิจฉาญาณนะเป็นธรรมชาติที่คล้ายปัญญามากแต่สัตว์ทั้งหลายสําคัญว่าโมหะเป็น ปัญญากันก็มากนเนี่ยะนะชนะเราตกเป็นทาตของราคะถ้าดูในชั้นของพุทธพจน์เรานั้นมีตันหาเป็นเพื่อนมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏเวลาตันหามันปรารถนาอยากจะให้เราทําอะไรเนี่ยมันก็บงการแล้วก็คอยจิตคอยใช้เราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะสรุปก็คือเราเป็นทาตของตันหาเยอะ ทีนี้พอเรามาพบคำสอนของพระบรมศาสดาเราก็มาประกาศตนเลยว่าเราจักไม่เป็นทาสของตันหาอีกต่อไปแล้วก็เลยบอกต้องการเปลื้องตนจากสภาพก่าวคือตันหาเครื่องร้อยรัดที่ผูกรัดลึงจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้ติดแน่นในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเนี่ยนะพระาศาสดาบอกว่าถ้าเธอกลับมาเป็นทาสของเราเนี่ยโดยสํานวนเนี่ย เธอก็จะพบความอิสระเสรีภาพปลอดโปร่งโล่งเป็นอิสระจากราคาโทสามโมหะแต่ถ้าเธอเป็นทาตของกิเลสเธอก็จะหมกมุ่นแล้วก็ติดตันทางด้านของญาณปัญญาไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของกระแสชีวิตได้แต่ถ้าเธอมาเป็นทาตของเราคือตถาคตแล้วเนี่ยตถาคตจะเป็นสาระเป็นเครื่องกําจัดภยัยเป็นที่พึ่ง เป็นที่อาศัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าจะนําเธอออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสาระคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นพระบรมศาสดาก็จะเรื่องเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เช่นสิ่งที่ไม่ใช่สาระเลยไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระของความเป็นสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีสาระของความเป็นอัตตาตัวตน ที่เราท่านทั้งหลายจักไปบังคับบัญชาเป็นต้นได้ให้เข้าถึงสาระที่แท้จริงก็คือว่าเป็นสภาวะที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะคือความเป็นอิสระปลอดโปร่งจากกิเลสพัฒนาจากความเป็นบุรุชนเข้าถึงความเป็นอริยชนเป็นต้นพระาศาสดาก็จะมีความหมายหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของคําว่ามอบอัตภาพแด่ครูบาอาจารย์อันนี้เป็นการกล่าวตามคัมภีร์ วิสุทธิมารคท่านกล่าวว่าเมื่อเยลคูบาจารย์ที่จะนําแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเข้าสู่พระรัตนตรัยได้แล้วเนี่ยก็ต้องเปลื้องตนโดยการที่ยอมเข้าหาเขามีดอกไม้ทูบเพียนเยาวโวราณเขาทากันอย่างนั้นเพื่อต้องการบอกว่านี่นะท่านเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าเนี่ยท่านจะได้ชี้แนวทางบอกว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าเข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดมันถูกอย่างไร โอจงชี้แนะด้วยแล้วเมื่ออาจารย์ครูบาอาจารย์ชี้แนะแล้วจะไม่ต่อต้านทางด้านความเห็นต่างๆเหล่านี้เขาก็เลยมีประเพณีมอบทีนี้พอมาถึงจุดประเด็นตรงนี้อยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยรูปแบบประเพณีที่จะทำกับการเข้าถึงสาระที่แท้จริงการเข้าถึงสาระที่แท้จริงก็คือว่ามั่นใจได้ยังไง ว่าท่านที่อยู่ตรงหน้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาจารย์แนะแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราได้เออตรงเนี้ยเขามีหลักตรวจสอบใช่ไหมท่านในชั้นคําสอนว่าท่านที่จะเป็นครูบาอาจารย์เราได้เนี่ยท่านในสมัยครั้งก่อนเขาจะดูว่า เ, ออเป็นพระรหันต์ไหมแตกฉนานอภิน ญ, ญามีปฏิสัมพิทายาณเป็นต้นหรือไม่เป็นตาม ล, ลําดับแล้วก็รอบรู้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกาทาคามีเป็นพระโสดาบัดอัลยุกเนียทาําไงถ้ายุคนี้ท่านขับเน้นไปที่ว่าทรงคําสอนในพระไตรปิฎกอัตถะทาดีและก็มีข้อวัดปฏิบัติเห็นไหมทั้งด้านของปริยตัติและทั้งด้านของการปฏิบัตินั้นมีความชัดเจนตรงนี้ขับเน้นข่านขับเน้นตรงนั้น ทีนี้ถ้าหากว่าเรามองในสายตาของเราท่านทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องต้องไปคิดแต่ในฐานะที่เป็นพระเนี่ยนะปฏิเสธความเป็นครูบาอาจารย์ก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากถ้าอามาพูดตรงนี้ก็ไม่อยากพูดให้เรานั้นเกิดมีความรู้สึกจิตใจที่จะไม่ค่อยดีก็หมายความว่า ถ้าถามโยมว่าเออโยมมั่นใจพระที่นั่งสองรูปที่จะมาแนะนําเราไหมเนยถ้ามั่นใจเอาอะไรเป็นข้อวัดเอาอะไรเป็นตัวตรวจสอบใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาตรวจสอบกันแล้วฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยไม่ได้ตั้งเพื่อให้จิตเรานี่ยเกิดความไขว้ควเวแต่ทําให้มีความรู้สึกว่าในในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดแล้วก็ ในภาวะที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในสถานะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นในมั่นใจในคำสอนของพระศาสดาเอามาทั้งสองรูปก็จะทำหน้าที่ในการที่จะให้พระธรรมคำสอนของพระศาสดาเต็มความสา ม, มารถขอให้พวกเราก็ตั้งตั้งใจให้เต็มที่ฉันทเนี่ย ความปรารถนาอย่างแรงกล้าสภาพจิตใจแต่และบุคคลเนี่ยนะความมุ่งมั่นเนี่ยไม่เท่ากันแค่อย่างระยะการเดินทางของเรามาเนี่ยนะเราอาจจะตื่นแต่เช้าใช่ไหมนั่งรถมาแล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังสภาพร่างกายอาจจะเพลียหรืออะไรต่าง ก, าก็แล้วแต่แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณของพระผู้มีพระเจ้าเป็นต้น การที่เราจะได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลาตามพระธรรมคําสอนของพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่หาเวลาไม่ใช่ง่ายเลยทุกคนนั้นล้วนแต่มีภาระหนุงนางเต็มไปหมดทั้งนั้นอามาเคยสนธนากับแม่ชีว่าเป็นไปได้ไหมกลุ่มที่มาขัดเกลวประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในบริเวณอย่างนี้แล้วเนี่ยว่าพยายามตัดโลกภายนอก ได้ไหมถ้าใครทําได้เนี่ยช่วยได้เยอะเอาช่วยยังไงจะช่วยในการที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นไม่เกิดความว้าวุ่นเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งเสพติดตัวใหม่ขึ้นมาอีกใช่ไหมที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําลายความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีปัจจัยที่ห้าที่หกขึ้นมาอีกเยอะเลยซึ่งไปอยู่หน้าที่ไหนดูแทบจะไม่ค่อยต่างจนเราจะหาที่อยู่กันแทบไม่ได้เนี่ยเนี่ยก็ยมีคนวิ่งตามตัวได้ตาม สายโทรศัพท์เยอะแยะเด็ดสุดงนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็เป็นปัญหาสังคมหรือปัญหาของนักปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการที่จะเข้าถึงคำสอนของภาษาสดาได้ค่อนข้างยากาตอนเดินออกมามีโยมท่านหนึ่งบอกว่าเผออ่านครูบาอาจารย์มาหลายท่านแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงคำสอนของภาษาสดาได้ง่ายเออมาเจอท่านอาจารย์ หวังว่าคงจะแนะนําได้คือทุกคนก็ตั้งความหวังอยากจะเข้าใจคําสอนของพระศาสด า, า, สด า, าสในเวลานี่เนี่ยก็ก็ขอให้ความตั้งใจของเรานั้นเนี่ยจงเป็นไปอย่างที่เรามุ่งมั่นแล้วก็ปรารถนาทีนี้ในส่วนเห่งการที่จะมาอบรมหรือการขัดเกล า, ารายประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายแนวทางเห่งการประพฤติปฏิบัติของเราคืออะไรถ้าสูงสุดจริงๆก็คืออนุปาท า, านิยิพาน เราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่กันหนะ้าที่ตรงเนี้ยก็คือพระเจาพิจารณาตามพระธรรมคําสอนของพระศ า, าสดาแล้วเนี่ยนะแล้วก็เบื่อแหละเบื่อชาติทุกข์คือความเกิดชาราทุกข์คือก็คือความแก่ที่มันเบียดเบียนกระแสะชีวิตเราอยู่เนี่ยพยาธิทุกข์คือความเจ็บป่วยทั้งหลายแต่ละคนก็โดนคนละโรคสองโรคสามโรค ส, สีโ่โรคอันนั้นเป็นพยาธิทุกข์แต่ถ้าตัวพยาธิทุกข์จริงๆก็คือตัวตาหูจมูกเล่นกายใจมันเป็นพยาธิ แต่สัตว์โลคไม่เข้าใจไงไปสําคัญว่าความไม่มีโรคทั้งหลายคือการไม่เป็นโรคที่ชาวโลกเขาสมมตุติก็เลยสําคัญผิดว่าขันนี้ไม่เจ็บป่วยบางโอกาสบางเวลาถ้าเราฟังคําสอนท่านาของนกุลปีตาขึ้นเลค่ะบดีที่เป็นที่ไ ป, เ, ปเฝ้าพระศาสดาเนี่ยจะเห็นชัดเวลาไปเฝ้าพระศาสดาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญรู ป, ปากายของข้าพระองค์นีก้กระสับกระสายอยู่เป็นนิด ไม่มีความสุขเลยขอให้พระบรมศาสดานั้นเนี่ยโปรดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเป็นน้ำเนี่ยอมรุดเนี่ยลดกระแสใจของข้าพเจ้าเนี่ยจนทําให้จิตของข้าพเจ้านั้นไม่ว้าวุ่นแล้วก็ไม่วุ่นวายในนะไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้นเลยเนี่ยจงได้น้ําทิพย์เก่าวคือพระธรรมของพระศาสดานั้นฉโลมลดกระแสใจของข้าพเจ้าเนี่ยให้ข้าพเจ้าได้พบความสุข ความสงบและหายจากความเจ็บป่วยเถอะพระศาสดาก็ตรัสวัดดูก่อนนะคุณปีตาเป็นต้นบอกว่าจัดโลกทั้งหลายที่สําคัญว่ากายนี้ไม่กระสรับกระสายไม่ไม่ป่วยเลยแม้แต่หนึ่งเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากการไม่เข้าใจความจริงของกระแสชีวิตหรือนอกจากการไม่เห็นทุกข์พรอมไม่มีเลยที่กระแสของชีวิตเนะี่ยที่ไม่เจ็บป่วย ไม่มีเวลาไหนเลยฉะนั้นกายนี้เป็นธรรมชาติที่กระสับกระสายอยู่เป็นนิดด้วยทุกขเวทนาต่างๆที่มาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคือธรรมชาติของรูปกายเป็นแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของรูปกายมีการกระสับกระสายอยู่เป็นนิดอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนามกายแล้วไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของสภาวะทางจิตใจแล้วมันมีความเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลานี่แหละ ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกความเป็นอนัตตาความเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเนี่ยของกระแสชีวิตที่มันจะต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนแล้วก็ผ่านไปเตื่อแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเบียดเบียนและบีบคั้นอยู่นึงนิดสาตร์ทั้งหลายถ้าเข้าใจกระแสชีวิตนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยจะเข้าใจว่าสภาพของชีวิตเป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อเข้าใจสภาพของชีวิตเป็นอย่างเนี้ยสาสตร์ทั้งหลายนั้นก็ปลงภาระในใจได้ไม่ยึดติด เมื่อปร่งภาระในใจได้ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นสัตว์นั้นก็ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาใช่ไหมก็จะไม่กําหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งเห็นความกําหนัดและไม่ขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งเห็นความขัดเคืองและไม่ลุ่มหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งเห็นความลุ่มหลงก็จะรู้จักคําว่ามัชชิมาปฏิปทาและหนทางที่จะเดินออกจากความกําหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลง จากอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์นั้นก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดในการวิจัยในการคิดในการเจาะในการทะลุทะลวงที่สุดจริงๆสัตว์นั้นก็จะเดินออกจากราคาความกำหนัดโทสะความกโกรธและโมหะความรุ่มหลงได้อย่างอิสระและก็เสรีภาพเข้าถึงความเป็นเสรีชนอย่างแท้จริงก็เรียกว่าเป็นอริยา น, านัน่นเอง พอมาเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตก็เลยมองเห็นทางอ๋อการที่สัตว์ทั้งหลายจะพ้นทุกข์ได้นั่นก็คือเข้าใจคาว่าอนุปาทานปริณิพานก็คือการดับโดยสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือและไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เลยกลายเป็นอนุปาทาปริณิพานกลายเป็นพันธิพานที่สูงสุดทีนี้พอเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ ก็แปลว่าเป้าหมายปลายทางของเราท่านทั้งหลายคือต้องการที่จะได้บรมสุขขังอะไรเป็นบรมสุขคําว่าบรมสุขเนี่ยก็คือว่าเป็นที่สุดแห่งวัตทุเป็นชื่อของพระนิพพานฉะนั้นคำว่าบรมสุขเนี่ยถ้าเรามองดูจากที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเพียรพยายามบําเพ็ญบารมีหรือพระบรมศาสดาท่านบําเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมี วิริยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีถ้ามองจากอุ ป, ป, ป, 10, ปาบารมีสิบบารมัทบารมีสิบรวมเป็นบารมีสามสิบทัศเนี่ยคำว่าปรมาศัพท์นั้นเลยเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุแห่งการบ่มบรมธรรมหรือเข้าถึงบรมธรรมเนั้นเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องดำเนินให้เข้าถึงบรมธรรมจริงกลายเป็น บารมีสิบประการมีธานบารมีเป็นต้นเพราะการที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงบรมธรรมกล่าวคือการสิ้นวัตจุกได้นะการเข้าถึงความพ้นทุก์ได้เข้าถึงบรมธรรมได้คือพันิพานนั้นคืออะไรก็คือว่าสภาพของการที่กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นเน่ยเข้าไปถึงที่สุดแห่งวัตจุก ไอการที่บอกว่าที่สุดถึงวัาทุกข์ก็คือว่าการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของกระแสชีวิตพอมาพูดตรงเนี้ยหลายๆท่านพอได้ยินคําว่านิพพานคือการไม่เกิดเนี่ยก็เลยชะ ง, งักขอหยุดไว้ก่อนว่าขอตั้งจิตปรารถนาแบบเบาๆไว้ก่อนเพราะอัจยาสัยของสัตว์ทั้งหลายยังยินดียังเพลิดเพลินยังล่มหลงในการที่จะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใช่ไหม ถ้าไปมองจุดสูงสุดเลยจริงๆสัตว์ทั้งหลายก็เลยบอกว่าเอ๊ะงั้นขอไปช้าๆดีกว่าถ้าไปเร็วขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไปนถึงที่สุดจริงๆเนี่ยจกลําบากหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏในพบน้อยและพบใหญ่เนี่ยหรือภาวะของเราท่านทั้งหลายที่จะเป็นบุรุชนทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความเสียหายมองต่างๆ หรือมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรากลวัวกลัวต่อการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อกลัวต่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราทำยังไงเนาะที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาก็เลยสอนในเรื่องของพระธรรมคำสอนขึ้นมาเลยในชั้นของคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยพระศาสดาก็จะตรัสไว้บอกว่า สัตว์ทั้งหลายที่เวียนไหวตายเกิดนั้นก็เพราะว่าจมอยู่ในห่วงของวัฏทุกข์เนี่ยพอไม่เข้าใจกระแสของชีวิตว่ากระแสของชีวิตในะที่จะต้องเวียนไหวตายเกิดทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นไปเพื่อวัตตาทั้งหลายเนี่ยเป็นความเสียหายอย่างยิ่งทีนี้ถ้าเรามองถึงว่าโอ้แท้ที่จริงก็คือว่าศาสนาของพระชินเจ้าที่บเสริฐเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนาก็คือการถึงบ ร, รมธรรมใช่ไหมคือการพ้นจากวัฏทุกร แต่เหตุปัจจัยที่เราจะทําเนี่ยตรงนี้ามาก็เลยย้อนกลับมาอีกทีว่าการจะถึงพระนิพพานได้ก็จะต้องมีการเดินทางให้ถูกต้องทีนี้ทางที่ถูกต้องที่พระาศาสดาเขาเรียกว่าเหตุที่เข้าถึงพระนิพพานนั้นเน่ะพระาศาสดาเรียกว่าอริยมรรคหรือเรียกว่ามัชิมาปฏิปทานี้ตัวมัชิมาปฏิปทานี่แหละก็มาขยายกันซะเยอะแยะหมดเลย ขยายเป็นสติปทานซี่เป็นสมัปปทานสี่เป็นอิทิบาสีเป็นอินรีห้าเป็นพละห้าเป็นโพชชงเจ็ดเป็นอริยมรรคมีองแปดเลเรียกว่าเป็นโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดประการเลยอันนี้เป็นปฏิปทาเ้าเรียกเป็นเหตุเขาเรียกเป็นสัมปาปการเหตุเป็นเหตุที่ให้เข้าถึงพญิพาน พระบรมศาสดาแต่และพระองค์เมื่อตัดสู้เบ็ดเสร็จก็เปิดทางเส้นนี้ให้กัเหล่าพุทธบริษัทให้เดินตามแนวทางนี้เข้าไปสู่ความดับทุกข์แต่ต่อมาเมื่อการศาสนาของพระศาสดานั้นสิ้นอายุลงหนทางนี้ก็ถูกปิดมืดสนิทอีกสัตว์ทั้งหลายก็จมหมุนเวียนไปในวัฏฏะก็หาทางออกจากตาหูจมูกเล้นกายใจออกจากวัฏฏะไม่ได้ ก็วนเวียนท่องเที่ยวไปมาในสามสิบเอ็ดภพในภพน้อยและภพใหญ่อย่างน่าการุณาอย่างน่าสงสารหนึ่งในนั้นคือเราเนี่ยนะก็มาคิดให้ออกอันภาษาสดาก็ทรงสอนแนวทางทางเดินทีนี้การจะสอนทางเดินเป็นต้นเหล่านี้ได้นะที่สรุปรวมเบ็ดเสร็จก็คือมชิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยพระองค์ก็สอนบอกว่าให้รู้อะไรและเพื่อละอะไร ก็เลยสอนในเรื่องการว่าให้รอบรู้ทุกแล้วเพื่อจะได้ล้ะตัวเหตุของทุกข์พอจะรอบรู้ทุกเนี่ยเอาอะไรไปรอบรู้บอกว่าเอามัชฌิมาปฏิปทาเอามักนี่แหละเอาตัวสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละเอาไปวิจัยเอาไปรอบรู้ทุกการที่จะรอบรู้ทุกด้วยแล้วก็รอบรู้เหตุที่เกิดทุกด้วยเพื่อจะละสมูทัยที่เป็นเหตุของทุกขนั้นเป็นต้น ก็เลยมีการกระจายสอนกันไงแต่เป้าหมายหลักอยู่ที่ตรงพระนิพพานชาวพทุทธของเราเนี่ยจุดสูงสุดของเราท่านทั้งหลายคืออนุปาทานปณิพนิพานนี่แหละก็คือการดับสนิทเข้าถึงบรมธรรมบรมสุขที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนากันแต่ก็วิ่งพ่านไปมาแบบผิ ด, ผดพล า, าดกันเยอะแยะทีนี้ก็เลยมีกระบวนการในการเรียนรู้และทําความเข้าใจให้ถูก ในสังสารวัตที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายไม่สามารถพ้นทุกข์ได้บ่งบอกชัดว่าข้อมูลองค์ความรู้ของเราไม่พอและไม่ชัดนั่นเองเมื่อความรู้ความเข้าใจของเราไม่ชัดนี่นะ้อสเปตสปะไปมาอย่างยาวไกลนี่เนี่ยตรงนี้นี่แหละเมื่อความคิดไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนเมื่อความรู้ไม่ถึงไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงของกระแสชีวิตได้ ถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้ก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นแล้วว่าเพราะข้อมูลไม่ถึงจากสุยานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างไม่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั่นเองจากขุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาแสงสว่างใช่ไหมวิ ช, ชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วพระศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี้เป็นสัจญานรอบแรกนี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังกับใครมาก่อนเลยนะว่าอริยสัจสีเนี่ยเป็นธรรมที่จะนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลาย แต่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นความจริงของบุรุษชนทั้งหลายอย่างเราเราไม่สามารถจะเข้าถึงสัจจะความจริงตรงนี้ได้เพราะเราไม่มีจักขูไม่มียานนะจักขูเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะจักขูยานปัญญาวิชาแสางสว่างเกิดขึ้นแล้วเกศเราตรงนี้ไม่เกิดจักสุในที่นั้นเขาเรียวกว่าจักสุของพระอริยะ จากสู่ของภาริยเราไม่ได้จากสูของภาริยะอะไรคือจากสู่ของภาริยะเราได้จากสู่ของผุุ้ชนใช่ไมไม่ได้จากสู่ของภาริยถ้าจากสู่ของภาริยเนี่ยสมถะและวิปัสสนาหรือญาณ น, นะที่เข้าถึงความคมกล้า สมถะหรืวิปัสนาหรือญาณนนะที่เข้าถึงความคมกล้าในการที่เข้าไปเจาะทะลุทะลวงและประหารกิเลสได้เราไม่ได้ตรงนี้เราไม่ได้จักสู่ของพารยาิยสา์โลกทั้งหลายจึงมืดบอดมืดบอดไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจจะไม่ถึงความจริงใช่ไหทีนี้จักสู่ของพาริยะกลาวคือญาณปัญญาวิชาเป็นต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถามว่าวิปัสนาญาณระดับ ระดับโลกุตละนี่เนะจะเกิดไม่ได้ถ้าโลกี้ยววิปัสนาญาณไม่เกิดทีนี้โลกี้ยววิปัสนาญาณไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะสมาธิที่เป็นจิตตวิสุธทธิไม่เป็นฐานรองรับสมาธิที่เป็นจิตตวิสุธทธิเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดได้ถ้าระดับศีละวิสุธทธิไม่ไม่ตั้งอยู่ในกระแสชีวิตของท่านบูนนั้นเห็นไหมตรงนี้ไง จักขู่ยาณปัญญาวิชาแสงสว่างไม่เกิดขึ้นแก่กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันเพราะวิสุทธิไม่เกิดมีเศลาวิสุทธิเป็นต้นทีนี้พอเศลาวิสุทธิไม่เกิดเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็พุกพ่านท่องเที่ยวไปมาอยู่ฉะนั้นในถ้ามองอย่างนี้ยพุทธเจ้าว่าจักขู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุ ก, user, กเป็นกิจที่ควรกําเนิดรู้สมูทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งมาร์กเป็นกิจที่ควรเจริญมีเป็นกิจยานแล้วก็จักขู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกสถากฏรอบรู้หมดแล้วทั้งของตนเองและสัตว์ทั้งหลายในจกักรวาลนั้งส้น สมูไทยพระองค์ก็ประหารได้เกลี้ยงหมดแล้วแล้วก็เปิดนิโรธให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้แจ้งตามด้วยเนี่ยมารคพระองค์ก็อบรมบริบูรณ์แล้วแต่ในชั้นคําสอนก็ว่าการงานในการประหารกิเลสการงานในการรอบรู้ทุกเรายังทําไม่เสร็จการงานในการประหารกิเลสก็ยังทําไม่เสร็จการงานในการได้สัมผัสพันิพารก็ยังทําไม่เสร็จการงานในการที่จะ ประชุมอริยมรคมีองค์แปดแล้วก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้ทาไม่เสร็จด้วยเนะเราไม่ได้ทําเลยนะเพียงกําลังจะทํากําลังจะทําเนี่ยนะป้าเข้ามาหลายขวบกันแล้วบางคนลมหายใจเราก็ไม่รู้ลมหายใจจะขาดกันวันไหนด้วยใช่ไหมแต่เราก็บอกเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนั้นเสร็จก่อนตรงนั้นเสร็จก่อนเราไปมัวแต่อยากจะกระทําแต่กิจการงานทางโลก กิจการงานในพระาศาสนาเนี่ยเราอากูลเราคั่งค้างเราหมักหมมมาอย่างยาวนานเลยและจะทํำยังไงแต่เนี่ยทีนี้ก็เลยต้องมานั่งนั่งสนทนากันเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจใหมาว่าจิตที่พระาศาสดาทรงมุ่งหวังคือจิตนี้นะจิตอะไรเริ่มต้นเราจะไปรอบรู้ทุก ทนการจะรอบรู้ทุกต้องมีเครื่องมือเอาละสิแตเนี้ยเครื่องมือคืออะไรคือเป็นองค์ของปัญญาองค์ของสติเอาปัญญาและสติจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปัจัยฐานหรือเหตุใกล้อะไรเป็นเหตุใกล้ของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติสติในที่นั้นท่างกล่าวโดยฐานะของสมถะ ปัญญาในที่นั้นกล่าวไว้ในฐานะของวิปัสนาแล้วสมาถาวิปัสนาต้องตั้งอยู่บนฐานของกุศลศีล น, นี่แหละทีนี้พอพูดถึงกุศลศีลก็ลากยาวเลยตัเนี้ยมันต้องถามถึงว่าการที่เราจะประกอบในการที่จะเจริญกุศลศีล น, นั้นน่ะความเข้าใจที่จะเจริญนั้นอย่างไร